ก็มาพิจารณาท่านพิจารณาบางคนเนี่ยอายุตั้งอย่างมากแล้วแต่เขาแข็งแรงอันนั้นแปลว่าอะไรกําลังของกุศซลสีลก็ดีมากใช่ไหมสินเขาค่อนข้างดีช้างเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องคิดดูวยที่ท่านบำเพ็ญบารมีมาตั้งสิบหอสงไขกว่าไปแล้วเนี่ยนยีแล้วกุศซลสีนของท่านที่ท่านเดินมาค่อนข้างอย่างแรงมาอย่างต่อเนื่องเป็นส่วนใหญ่เนี่ย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 เราก็จะทำลายราชสมบัติราชบรรลังของมนุษย์เหล่านั้นผู้มาโดยราชการได้เป็นผุยผงได้ก็คือเนี่ยทำลายคนนี้ไม่พอนอะเดินเข้าวังของแฟนการสีและททำลายเมืองต้องเมืองได้เลยนั่นคือกำลังของเรานี่ช้างที่มีกำลังมากแต่ถึงแม้เราเนี่ยวะจะโกรธจะ่าจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นก็ไม่ทำจิตให้ขัดเคือง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 เมื่ทำร้ายกิเลสคือราคาโทรสามัหาเป็นต้นไม่ได้เราจะพ้นทุกข์ได้ไหมอา้าพ้นทุกข์ไม่ได้เราต้องกลับมาเจ็บปวดอีกมหมเอากลับมาเจ็บปวดอีกเนี่ยคิดไม่ไกลไคิดไม่กว้างมองไม่ไกลต่อไปหัดคิดก็คิดให้กว้างมองให้ไกลๆกลก็ไวใช่ไหมตรงนี้ท่านบอกว่าพระผู้ให้ภาคเจ้าทรงสแสดงความตั้งมั่นของศีลโดยการทําความมั่นคงแห่งการรักษาศีล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 ท่านผู้นี้มีผู้มีศีลท่านผู้นี้พูดจะมีศีลใช่ไหมคือคือคนที่ศึกษาเรื่องวิชาเรื่องการดูช้างดูโคชสารโคจลักษณะเนี่ยก็ดูปั๊บช้างต้นนี้มีศีลเนี่ยเขาก็ทําทํามีศีลเข้าไปสมาทานศีลอะไรไปเบสเสร็จนีเราเห็นช้างกล้าไหมมานี่แน่โลกกล้าไหมกล้าไหมอาสมาทานศีลให้ดีสิสมาทานศีลให้ดูว่า ให้ดีใช่ไหมเบสเสร็จก็เดินไปเจอช้างก็ยื่นมือใช้เวลาเจวันควานช้างเมื่อถึงระหว่างทางก็ส่งข่าวให้ทุนให้พระราชาทราบพระราชาก็ตกแต่งพระนครควานช้างก็นําพระโพธิสัตว์ที่มีสายลัดทําด้วยกลิ่นหอมประดับประดาตกแต่งแล้วก็ไปสู่โรงช้างวงด้วยม่านอันวิจิตรกราบทูลพระราชาให้ทราบพระราชาก็ถือโพชนะมีรถอเนกต่างๆนะ ให้แก่ช้างพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ไม่รับโภชนะอาหารนนั้ท่านดำหลีบอกว่าเรามีแม่แม่อดอาหารการที่เราจะมากินอาหารไม่สมควรแก่เราเราไม่เคยประพฤติข้อปฏิบัติแบบนี้เลยแปลว่าอะไร ท, ท่านไม่เคยกินอาหารก่อนแม่ลองหลับตา น, นึดูที่เคยกินอาหารก่อนแม่ไหม เคยไหมกลับไปก้าบเท้าแม่เลยใช่ไหแม่เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวลูกจะจะประพฤตวัดเลยเนะจะพฤติข้อปฏิบัติเลยจะประพฤตกุศลรสีในดีเนาะกลับไปจะดูแลคุณพ่อคุณแม่ํามฐานนะถึงไม่ดูแลก็โทรหาท่านบ่อยๆได้ไ้ยถ้าอยู่ไกลๆโทรไงดีแม่ เดือนนี้ไม่ค่าใช้จ่ายไม่พอขอมั่งได้ไหมแม่เป็นธนาคารเอกเลยยุ่งเลยนไม่ต้องฝากเบิกประจําก็ย้โทรให้กำลังใจบอกแม่ทานข้าวหรือยังนี่เป็นศีลอ่ะเป็นไม่เป็นเป็นศีลเป็นศีลทางวาจาวิีกรรมเปล่งออกมาไง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 ไม่มีผู้ดูแลเลยอยู่ในถ้านี้เนะียเดินอ่านนี้เดินถ้าเดินถูกต่อตามเท้าเห็นไหม ต, ตกภูเขาจันทรานะฉะันวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้ววันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วไม่ได้มีพักสาหา์เนี่ยอาหารเนี่ยตกถึงท้องเลยแล้วแล้วข้าพระองค์จะกินได้ยังไง ข้าพเจ้าบำเพ็ญศีลบันบเป็นวัดข้อปฏิบัติต่อมารดาไม่เคยไม่เคยกินอาหารก่อนเลยคือว่าคือพอท่านพูดในลักษณะอย่างนั้นแล้วท่านก็เมื่อพระโพธิสัตว์ทูลวันนี้เป็นวันที่เจ็ดมารดาข้าพระองค์ยังไม่ได้รับอาหารเลยพอพูดแค่นั้นแล้วพระราชาสะดุง้งเลยใช่ไหมพ ร, พระราชาสะดุ้งให้เราทำกรรมอะไรไปเนี่ย โอ้กำหนักแล้วเนี่ยสะดุง้งสะเทือนใจเลยนีถ้าเราไปจับคนมาแล้วก็เขาปล่อยพ่อแม่เขต้องลําบากแล้วเขาก็มีปฏิกิริยาอย่างนั้นใช่ไหมเราก็เราก็ต้องตก ใ, กก ok, ไไใจแล้วท่านก็บอกพวกท่านทําอะไรไปเนี่ยเอใช่ไหมจงปล่อยพญานาคพญานาคนี้เลี้ยงดูมารดาบิดาเนะ้หวังเนียแล้วท่านก็บอกขอท่านพญานาค น, นี้เนี่พพยพญานาค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 แต่ก่อนจะกลับนี่นะท่านให้อะไรแกพระราชาท่านให้ทศพิษราชธรรมสอนทศพิษราชธรรมสิบประการเลยใช่ไหมทำสำหรับผู้ปกครองทำสำหรับพระราชาท่านก็สอนเลยว่าการเป็นพระราชาที่ทรงทำเก็เป็นกันยังไงสอนเลยได้ประโยชน์ให้พระราชานี่ให้การคบบัณฑิตเป็นแบบนี้ล้วก็หาเฟ้นคบบัณฑิต น, นะมีโอกาสได้ได้รับสิ่งที่ถูกต้อง แล้วก็สอนทศพิทราชธรรมเป็นต้นคือไม่ให้ประมาทให้มีความหมดทนขันติเป็นต้นเราเนี่ยนะแล้วในส่วนจริงท่านก็ออกจากพระนครไปหามารดาในวันนั้นนะ่ยแจ้งเรื่องราวให้ทั้งหมดให้มารดาทราบมารดาก็ดีใจโมทนาแก่พระราชาท่านก็บอกว่าขอพระราชาผู้ปกครองแฟนกาสีให้เจริญผู้ปล่อยลูกของเราผู้มีความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่เนี่ยจงมีพระชนมมีอายุยืนนานเถิด อาภิวาดานสิริสานิจังอุดาปจายโนจตารดัมมาวัฒนติอายุนโนสุขังบลังแม่ของพระโพธิสัตว์ก็ให้พรบลาชา <c oughs> เราเวลามีใครให้ของให้พรก็เป็นหรือเปล่า <c oughs> ให้เป็นบ้างเป่าพอลูกพอพอลูกให้ของ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 เช่นความไม่โลภความไม่โกรธและปัญญาเป็นต้นนะหรือว่าสัมมาวาจาสัมมากรรมประตะสัมมาชีวะเป็นต้น <c oughs> ตรงนั้นก็มองประเด็นตรงนั้นไปก่อนทีนี้ถ้ามาพูดถึงในเรื่องของอเกี่ยวกับในเรื่องของสัมมาวาจาสัมมากรมรมตะสัมมาชีวะพูดไปแล้วพูดถึงในเรื่องของอนาพิชาพาาาาพชาอัพยาบาทแล้วก็สัมมาทิฏฐิอนาพิชชาอัพยาบาทแล้วก็สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะพูดถึงในเรื่องของความไม่โลภ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 ล да. <ed> <Buffalo> ักขโมยเลยนีจากการเซนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเรานึกว่าโอ้ยเซนแก๊กเดียวเนี่ยไม่ไม่ได้เซนแก๊กเดียวเนี่ยฆ่าก็ได้ลักก็ได้พูดผิดในกลาวก็ได้เป็นเหตุในการพูดเท็จก็ได้เพราะเซนเน้นการพูดเนี่ยนะสอบเสียดคําหยาเพื่อเจื่อเป็นต้นนี้ได้โกรธเซนได้ไหมรอบเซนได้ไหมเห็นผิดเซนได้ไหมงี้เป็นต้นโอ้ยใครที่เซนหนังสือบ่อยๆโอ้ได้ศีลเยอะนะแต่พิจารณาเป็นนะ ถ้าพิจารณาไม่เป็นโอ้ยศีนขาดทั้งวันเลยศีนไม่เดินเน่ะใช่ไหมมีโอกาสศีนขาดได้ใช่ไหมดไดใช่เนะนี่ยเราก็ไปพิจารณาอันนี้เป็นเกี่ยวข้องกับศีนจริงๆเลยนะไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องดูเหมือนโอ้โหไม่ได้ไปทําผิดศีนอะไรเลยใช่ไหมนั่งเขียนหนังสืออยู่เนี้ยเออผิดศีนได้นั่งเขียนหนังสือผิดศีนได้นี่เป็นอย่างนี้ก็ก็เห็นไหมว่าความโลภเป็นปัจจัยในการ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 โทษศาสตร์เนี่ยใช่ไหมเป็นเป็นกิเลสนี่เราไม่เป็นธาตุมันอีกแล้วจะไม่มันเกิดในกระแสชีวิตอีกแล้วเป็นธาตุมันมานานมันก็ทําให้เราทุ่มีลเจ็บปวดในสังสารวัฏโมหะเนี่ยมันทำเป็นกิเลสนี่เราอย่าไปสมาทานเป็นธาตุเขาสิเรามาเป็นธาตุของพระพุทธเจ้าเนี่ยผู้ที่พ้นจากกิเลสเครื่องคล่องแล้วใช่ไหมแล้วก็ทรงประทานกุศลอันรําเลิศทั้งหลายเราปฏิบัติเพื่อจะทําให้ตนเองนะ่ะพ้นจากสังสารวัฏก็คิดอย่างเงี้ย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 ให้รักษาศีลอมนินทานนิดหนึ่งลรูศิทธิอาจารย์ด็กเตอร์เอดกเตอร์ดเตอรดาดารักษาศีลเขาบอกว่าสมาทานศีลปาดอย่างดีแล้วนึงตอนเย็นแม่ครัววิริธรรมมิท่าไหนะไปทำส้มตำก็ให้ <c oughs> <c oughs> ยอมผู้หญิงชอบส้มตำไหมขอไป <c oughs> ชอบไหมระหว่างศีลกับส้มตำจานหนึ่งเราเลือกอะไร เรียกอะไรโอ้ oh. เด็กเขาโอ้โหกว่ oh, ามาก็เลยบอกก็เลยต้องกระตุนเขาบอกอะไรศีนเนี่ยพทธเจ้ากว่าจะได้มานียใช่กว่าจะให้เนี่ยทำให้ต้องวิบัติไปเพราะจอมตามจานเดียวเนี่ยมันสมควรไหมทำ <laughs> ไมนั่งคิดตูวเใช้ปัญญาวิจัยหน่อยใช่ไหมมันต้องคิดให้หนักนะ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 เอาเอาหารเข้าทั้งอื่นไม่ยอม อ, อาถ้ามีใครมาเจาะตรงกระเพาะเราเนี่ยอาจอาหารเข้าไปมันก็อิ่มเหมือนกันเนเอาไ้ยไม่เอาอีกขอให้แปะลิ้นตันหายมันชื่นใจหน่อยกันแล้วทำไมเราไปเป็นทาสขนาดนั้นเลิกได้แล้วเขาประกาศเลิกทาสกันมาตั้งนานแล้วประเทศไทยเนี่ยใช่ไหมก็ก็อย่าไปเป็นทาสของตัหายเลยก็พักก้าจริงไม่จริง พูดตรงนี้คล้ายๆเราจะต่อสู้ตัญหาได้หลายคนพูดเนยเพราะกลับไปอยู่คนเดียวทีไรมันไม่แข็งแรงสักทีเลยเป็นงั้นจริงไหในในพระก็พูดของท่านไปท่านมีหน้าที่พูดก็พูดไปพวกนั้นก็คนมันทำไม่ได้ เ, เป็นงั้นไหมอย่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอันเป็นการทำลายชีวิตของเราในอนาคตนะมันเป็นความเจ็บปวดในอนาคตนะนะ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 คิดได้มากๆโดยคิดเรื่องศีลเนี่ยคิดไปใช่ไหมเหมือนอย่างงี้เหมือนคนตื่นสายอะมาแนะนําถ้าใครตื่นสายนะอะมาก็ไปแนะนํานักศึกษาเดี๋ยวนี้ตื่นเที่ยงวันกัน <c oughs> ไม่รู้สอนลูกกันยังไงพวกเรานี่แหละ <c oughs> ต้องใหง้ <c oughs> ตรงนี้ <c oughs> เวลามันนอนตื่นสายเนี่ยนะพอมันเริ่มเลยเวลาเราก็คิดบ่อยๆสิให้ข้อมูลก็าสินี่สายแล้วนะ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 เขคิดไปเรื่อยๆนอนหลับอยู่นั่นแหะคิดไปคิดไ ป, ไปคิดไปเรื่อยๆน่ะเข้าเนื้เข้าอยู่ไม่ไหวลุกพูดเัืงจริงมาค่อยทําดูแล้ว <S <S ความขี้เกียจความเกียจค้านทั้งหลายเนี่ยใช้ข้อมูลเข้าไปมันกลัวข้อมูล <S <S 1> <S 1> บรรดากียรติทั้งหลายเนี่ยกลัวมากที่สุดคือกลัวความรู้ยอมให้ความรู้ให้ข้อมูลให้วิชาเข้าไปน่ะเข้าเนื้เข้าูลุกขึ้นมานั่งตาใสเราไม่ทราไม่ยอมรักษาศีล น, นะให้ข้อมูลไปเรื่อยๆเนี่ยอยากเป็นสัตว์นรกใช่ไหม อยากเป็นอยากเป็นสัตว์เดรัจฉานใช่ไหมใช่ไหมดูอยากเป็นอยากเป็นสัตว์เดรัจฉานเอาเป็นวัวเป็นควายเป็นไหมเอาเป็นหมูให้เขาเชือ้อดเป็นไหมเอาเป็นไก่ให้เขาตัดคอทุกวันเขาลงฆ่าสัตว์เป็นไหมเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆสิใช่ไหมเน่เข้าเน่เข้าผมไม่เอาหรอกมันกลัวเ <c oughs> น่เข้าเน่าเข้าเอาซีนเจ้าที่มันอยู่ที่การให้ข้อมูลยิงๆเพราะั้นถ้าให้ข้อมูลในเบสเซ็จในทุกค น, นแข็งแรงหมด